องแห่งการประนามข้อแปิภิกษุทั้งหลายอาจารย์พึงประนามอันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์5คือ 1. ไม่มีความรักอย่างยิ่งในอาจารย์ 2. ไม่มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในอาจารย์ 3. ไม่มีความละอายอย่างยิ่งในอาจารย์ 4. ไม่มีความเคารพอย่างยิ่งในอาจารย์ 5. ไม่มีความหวังดีอย่างยิ่งในอาจารย์ภิกษุทั้งหลาย อาจารย์พึงประนามอันเตวสิกผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายอาจารย์ไม่พึงประนามอันเตวสิกผู้ประกอบด้วยองค์หคือ 1. มีความรักอย่างยิ่งในอาจารย์ 2. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในอาจารย์ 3. มีความล่ายอย่างยิ่งในอาจารย์ 4. มีความครบร้อย่างยิ่งในอาจารย์ 5. มีความหวังดีอย่างยิ่งในอาจารย์ภิกษุทั้งหลาย อาจารย์ไม่พึงประนามอันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายอันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์หควรที่จะถูกประนามคือ 1. ไม่มีความรักอย่างยิ่งในอาจารย์ 2. ไม่มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในอาจารย์ 3. ไม่มีความลลยอย่างยิ่งในอาจารย์ 4. ไม่มีความครบอย่างยิ่งในอาจารย์ 5. ไม่มีความหวังดีอย่างยิ่งในอาจารย์ ภิกษุทั้งหลายอันเทวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้ควรที่จะถูกประนามภิกษุทั้งหลายอันเทวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์หไม่ควรที่จะถูกประนามคือ1มีความรักอย่างยิ่งในอาจารย์2มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในอาจารย์3มีความละอายอย่างยิ่งในอาจารย์4มีความเคารพอย่างยิ่งในอาจารย์ 5. มีความหวังดีอย่างยิ่งในอาจารย์ ภิกษุทั้งหลายอันเทวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้ไม่ควรที่จะถูกประนามภิกษุทั้งหลายอันเทวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์หเมื่ออาจารย์ไม่ประนามย่อมมีโทษเมื่อประนามย่อมไม่มีโทษคือ 1. ไม่มีความรักอย่างยิ่งในอาจารย์ 2. ไม่มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในอาจารย์ 3. ไม่มีความละอายอย่างยิ่งในอาจารย์ 4. ไม่มีความเครรอบอย่างยิ่งในอาจารย์ หไม่มีความหวังดีอย่างย sure? 네ิ่งในอาจารย์ภิกษุทั้งหลายอันเทวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้เมื่ออาจารย์ไม่ประนามย่อมมีโทษเมื่อประนามย่อมไม่มีโทษภิกษุทั้งหลายอันเทวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์หเมื่ออาจารย์ประนามย่อมมีโทษเมื่อไม่ประนามย่อมไม่มีโทษคือ 1. มีความรักอย่างยิ่งในอาจารย์ 2. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในอาจารย์ 3 ม, มีความล่าอย่างยิ่งในอาจารย์ 4. มีความเคารพอย่างยิ่งในอาจารย์ 5. มีความบังดีอย่างยิ่งในอาจารย์ภิกษุทั้งหลายอันเทวาสิผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้เมื่ออาจารย์ประนามย่อมมีโทษเมื่อไม่ประนามย่อมไม่มีโทษปนามนาขมาปนาจบ